อืม <clears throat> ทีน่นีมันตกลงหงอผู้มัดมขึ้นเลเหลียมตาทีข า, ขาวๆตกลงหงอผู้มัดมขึ้นมีพลังมากล่ ะ, ละ่ขึ้นเยมีคนดามบ้าค่ะหลังตู้ใครมาแล้ววางตะก่กกงคนเมื่อวานนี้จนเย็นหลวงปู่ม่ได้ลงจะหาว่าหลวงปัวก็หกแล้ว เขาะลูกเข้าไปนอนนะคะลุงปูไม่เห็นเมื่อเช้ามีหลังเอาอาหารมาให้เจ้าานงปูพอกว่าเราเอมาใส่บานไม่ทันเด็กพลังที่นี่พุทธิมาถามเมื่อวาน่าใช่ค่ะอยูเจ้าแถวนี้แต่ค่อยได้ไปเรื่อยๆเนาะแต่ดีที่สุดให้เขาใส่เองกันรังถาม่าเอามั่น นายดิฟได้ได้ว่าคนนี้ <c oughs> ได้แต่ไม่ดีเพราะว่าทำเองกินเองไม่ได้บอกแล้วบอกสมบยัยก็ได้คดนุกคนไปสมบัยนะ <c oughs> หรืว่าสังขารนางกายมันไม่ใชของเรามันก็เกิดแล้วกแก่แล้วก็ป่วยแล้วก็ตายเป็นอยู่ทั้งันจะไปห้ามได้โรงรือบานดีเท่าไหร่มันก็ไม่หายดองโลกนี้อยู่ในโลกอันนี้โลกวุ่นวายโลกแก่โลกเก็บโลกตายเกิดมาแล้วก็แก่เก็บตายถ้าลงบานของพระพุทธเจ้าจึงรักษาได้ ถ้าใครรักษาตามคำสอนของพุทธเจ้าแล้วไม่มีเกิดแต่เก็บตายจะมาจากไหน <c oughs> อยู่ไกลแต่ละมีใ่ไแปลให้ฟังบ่ลงหรอะ นาจีครั้งแล้วครับมรับครับครับบคดีบครับครคับครับครับครัับับครับคับครัรับครับครับครับครับครัมับครับรับอรับครับครับคครัครับครับครัครัครับครัครับัครรครับ ทำใจให้สบายทำสมาธิบ่อยๆไม่ได้ซื้ออาหารใจไม่ได้ซื้อร่ำรวยสวยงามมันไม่แน่นอนบุญกุศลนี่แน่นอนนี่ เสียชีวิตแล้วก็เอาไปด้วยได้เ so uh, งินทองสวยงามเอาไปด้วยไม่ได้ใ so น, น, น, นรี่ทำเอาต้งมีชีวิตอยู่ไม่มีอะไรมากหรอก เรื่องพระพุทธศาสนาให้ทำสมาธิมากๆไม่อยากให้สวดมากสวดอิมนาอังสมาสุปฏิปโนนโมสตส ร, 2, ระสองสามครั้งเราก็นั่งทิละสิบนาทียี่สิบนาทีขึ้นชั่วโมงพิธีหลวงพอหน่อยอถ้าไม่ถึงชั่วโมงก็ไม่ให้หยุด <c oughs> ปิดประตูลูกกรอบไร้ความ เห็นไหมล่ะมีแต่ของพระพุทธเจ้าสวดไปหมดพระตไตรปดฎกแว่นหนึ่งก็สวดได้แต่มีแต่ของพระพุทธเจ้าของเราก็คือน่ะถ้าดูก็เห็นก็รู้เห็นความสุขสุขเกินยิ่งกว่าความสงบไม่มีมีแค่นั่นของพระเจ้าแต่คนตะคิดเกียรติทำไม่ได้ทําไม่ได้แต่จะท่องหรืองานอื่นทําได้ตลอดวันเนี่ยงานทําสมาธิธบาบาแกนนี่นทำไม่ได้ ไปจะนั่งหน่อยหุดหงิดไปนู่นไปนี่รูว่ตัดพรมก็ไปตัดถึงแก่เจ้าขึ้นออกถึงแก่เจ้าดีเล่นซะได้เสร็จออกดึงหาครังเดียวเสร็จออกก็ไปใส่หัวสวมนีนมันเย็นพด mm. เล่นนิดดีไปแปะหัวสวมคึอน้องมุนี้กับบมี่สองสามปีเราบอกอตัง้งแต่วันนั่งเสร็จไอยู่พมนั่งมันเย็นมันเย็นจัดด้ หัวสวมเอาฟ้องไปเอานี้ยังตะ ก, กาวไปติดแปะพ้อหัวสวมบนนั่งนั่นก็บอเคยตื่นปึ๊บกระเตือมันเย็นหลายก็มันตื่นต่อไม่เร่งภาวนาเข้ า, าเท้ากับเข้าพระไปตีละฆังเลกหน่อยไปตีปากพระ <c oughs> ว่าตีรลอยแทะแนนหรอเวาเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นโลได้ปะหาว่าวัดสร้างมาเท่าไรเท่าไรแล้วตีละครั้งว่าให้พระสวดมนต์ไว้พระวิธีกรรมทางพระศาสนาแค่นี้ทําไม่ได้หรือว่าดิมายุ่งพระทําไมหาเราโยมผิดแบบนี้ปะวิรักเขาไปต้องการต้องานมากตีนอนก็ไม่นอนตีละครั้งแล้วหมาว่านเสียงห้องว่านเสงายว่าล่ะตีพระหงษหมอนหมาหอนติ นี่ผลวิธีกรรมทางภักศาสนาไม่เข้าใจมันก็ทำอย่างนั้นวิธี <c oughs> สำนักพุทธสำนักวัฒนธรรมดั่งขึ้นมากี่กระทรวงคนในกระทรวงวัฒนธรรมมีกี่คนคิดดูงัดงบประมาณประเทศไทยเสียไปเท่าไหร่เสียไปเท่าไหร่หรือเจ้าพาสอนให้ทำสงบทำไมไม่ทำ มันเดือดร้อนคนอื่นไปทำทำไมกดมีเวลาหรืกลางวันก็คืนแต่ว่างมากก็ไปสวด ม, น, มนต์มังเต้หัือว่าสั่งกระสันนะนก็ไปสวดก็ได้ตัวดิียงไฟเป็นไรล่ะถือมักงงมักเสียน่ะทาอะไรคำนึงถึงความได้อย่าคำนึงถึงความเสียนั้นนี่็กิจมนนี่บางคน อล้วทันจะเอางบทำตลอดีหนึ่งตีสองคนจุ๊บอตัวนั่งสืสารกับว <p> ่าส <yes, S 1> <types. S 2> ืสารเป็นบาทไหมเราก็ได้มาจมกอกแก๊กตัวสิลก้มแล้วไปกิเลสค้นย่างกิเลสค้นขากิเลสคน้นเย็นนะพระแดงสวดเวลากิเลสมันหิวกําลังหิวอย่าเพิ่งคลับประทานมันเกิดกิเลส เป็นกองขาน้อยค่าแม่ของของเนี่ยไปไหนมันหิวมากก่ากกองขอน้อยกองขอน้อยจะบข้าแม่ตายคนนี้นิทานกองขาน้อยข้าแม่เพราะความหิวอุ้ยเจ้าจึงให้อดใจได้เป็นพระองค์อดกำลังหิวจะท่านจะเฝ้ากินพิมอยากกำลังหิวอยู่จะรับประทานกำลังโกรธอยู่จะพูด คนทะเลาะกันพูดด่าทุกวันนี่ก็เพาะนั่นพอคนหนึ่งพูดมาโก้วก็คนนึงก็พูดมาตบมือสองครั้งเอากันแล้วอะถ้าเป็นหมากับตัวหนึ่งยิงแขวตัวหนึ่งหางดอมลงบวกัดกันเด้เห็นบ้หมาหูจักงออมเป็นบ้านนี่ยิงแข่าแต่กันกกัดกันตัวนัวเห็นตัหมาตัวนี้ค้นเส้นอยาว่ากัดกันทะเลาะกันพ้องร้องกันเรื่องนี้มันยุ่งกัน ไม่มีปัญญาเป็นอย่างนั้นคนเราอยากลูกก็ให้ไรอยากลูกพวกเหล่านี้ก็คือทําสมาธิถ้ามีสมาธิแล้วเกิดปัญญามีความรอบลูกทําอะไรคํานึงถึงความได้อย่าคํานึงถึงความเสียอยากคํานึงถึงความได้ความเสียพอไปตีพระตีละคั้งพระตีละครั้งเห็นอย่างหัต้องเกิเสียตัวเสียเขาอยากพักผ่อนเขานอน เดี๋ยวไปกวนปราสาทผู้อื่นเนี่ยควปราสาทม้าอีกกับเสียกันเนี่ยม้าเรื่อยวไปปล๊กเข้ามา